พึ่งพากันตั้งใจสัมรวมใจขุนตนให้แน่วแนว่วันนี้เป็นวันพระแปดคำเดือนสิเว็แลมแปดคำเป็นวันรักษาโอสถสินในควรมฟังธรรมของอบาศสวาธิกาซึ่งเคยกระทำกันมา ตั้งแต่ครังพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าองค์ใดมาบังเกิดขึ้นในโลกก็ทรงวางข้อว่าสติบัติอย่างนี้ไว้ให้อุบาสกวาทิกาได้ประพฤติตามเพราะว่าอุบาสกวาทิกามีกิจธุระเกี่ยวกับการงานการคองชีพ เยอมากมายแต่ว่าให้ถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอย่างสูงเอาเจ็ดวันต่อครั้งวันธรรมดาก็อทำการทำงานวันแปลกแปดครัสิบห้าคำก็เข้าวัดออทำความสงบกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์อย่าให้ความยินดียินร้ายขอบงาจิตได้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 ก็ทําอยู่แต่แค่นั้นอย่างเช่นเคยให้ทานก็ให้แต่ให้ทานอย่างเดียวไม่คิดที่จะรักษาศีลเลยก็มีบางคน่เนื้อบางคนมีให้าทานแล้วมีศีลห้าแล้วอย่างนี้ก็ไม่คิดที่จะรักษาศีลอุโบสถเลยอย่างนี้เดียวมันไม่ก้าวหน้าการบําเพ็ญบุญกุศลเน่ยมันไม่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 ก็ยังได้ฟังธรรมอีกนอกจากฟังธรรมแล้วก็ได้นั่งสมาธิภาวนามีโอกาสได้ทำความเพียรทางจิตใจเต็มที่การรักษาโอวสก็ต้องสำรวมตนด้วยดีสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส ต่างๆมาถูกต้องเข้าก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายอันนี้เราเรียกว่ารักษาอุโบสถนะให้พากันเข้าใจที่อย่างหนึ่งก็ระมัดระวังเรื่องการพูดการจาถ้าจะมีการพูดกันก็ต้องปารบถึงศีลถึงธรรมถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือปรารบถึงชีวิตอันนี้แหละ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 มันคิดอะไรต่ออะไรในอารมณ์ที่ค้างๆ้างอยู่ไม่ละไม่ถอนมันแต่อดีตล่วงมาแล้วทางวาจาก็ดีเมื่อใจมันพุ่งไปภายนอกการพูดการจามันก็พุ่งไปหาตั้งแต่เรื่องภายนอกไปหาแต่เรื่องทำมาค้าขายทำไรทำนาการได้การเสียคนโน้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้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 เพราะว่าไม่ได้ก่อเกี่ยวได้การงานภายนอกเลยการทำนาทนาําสวนการค้าการขายเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีในนักบวชเพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีโอกาสสํารวมอินทรีย์ได้เต็มที่แต่ว่ามันสํารวมได้แต่ตาหูจมูกเลี้นงกายแต่สํารวมใจไม่ได้เนี่ยใจนี่มันชอบออกนอกวัดอยู่เรื่อยไปยานี้ก็นา่าเป็นจุดอันตราย แกผู้เป็นนักบวชมากทีเดียวอะเพราะฉะนั้นคําว่าสํารวมอินทรีย์มะนิทรีแหละสําคัญกว่าเพื่อนทั้งหมดเมื่อการสํารวมอินทรีย์คือใจได้แล้วมันก็ได้หมดนั่นแหละเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นผู้วงการนะใจเป็นใหญ่อะอลองคิดดูให้มันดีคิดให้มันเห็ น, ค, ห น, หนคิดให้มันเห็นด้วยตนเองจริงๆ ถ้าใครไม่คิดถ้าเห็นเห็นด้วยตนเองแนละ้วปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรออทั้งที่เพื่อนแสดงให้ฟังบ่อยบ่อยอยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มอีอย่างนี้แหลยมันหนาแน่นด้วยอวิชชาตันหามากคนเราอะ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้ก็ว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบัติต่างๆนะ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 ใจมันยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆที่พัดผ่านมาทางตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเพราะว่าตาหูจมูกรีนกายนี่มันไม่รับรู้อะไรหรอกกับดวงขิดนดน่ะมันมีหน้าที่ตาก็มีหน้าที่เพียงแค่เห็นรูปต่างๆหูก็มีเพียงเป็นหน้าที่ได้ยินเสียงจมูกก็มีหน้าที่ได้สึกกลิน่น ลิ้นก็มีหน้าที่ได้รับรสอาหารกายก็มีหน้าที่ได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ผู้รับรู้กับความสัมผัสถูกต้องเหล่านี้้มันใจดวงเดียวเท่านั้นเองตาเป็นต้นไม่ว่าอะไรเลยมันก็สกว่ารถจะเห็นเท่านั้นแี่ยแต่เหตุที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านี้มันเกิดขึ้นจากดวงกิดนี่ต่างหาก เมื่อตาไปเห็นรูปเข้าดวงจิตไม่รู้เท่ารูปนะั้นมันก็ไปหลงยินดีหลงยินร้ายในรูปอ น, นั้นอย่างนี้นะแล้วมันจะได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นใหญ่โตถ้าไปยินดีในรูปนั้นอ่ามันก็แสวงหารูปนั้นอีกแล้วเป็นอย่างนั้นถ้าไปยินดีในเสียงมันก็แสวงหาเสียงยินดีในกลิน่นมันก็แสวงหากลิน่น เมื่อมันยินดีในรถมันก็แสวงหารถเมื่อมันยินดีในสัมผัสมันก็แสวงหาสัมผัสอันที่ต้องการเหตุนั้นนะท่านจึงกล่าวว่าตัณหานะี่คือความทะเยอทะยานยากในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นแล้วนี้เมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็อยากไปไม่มีสิ้นสุดเลยเหตุนี้นคนเราถึงได้ทำบาปนั่นแหละ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 คือว่าถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเราบังคับกายวาจาใจนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเถรเจ้านี้ให้ได้นั่นแหละแ่ถ้าตนเองไม่บังคับตนแล้วมันยากอยู่นะมันจะปฏิบัติตามได้ครบถ่วนนะเช่นอย่างเรื่องภาวนาอย่างนี้ยแม้จะเป็นนักวชนี่ก็ขี้ข้านภาวนาอย่าว่าจะเป็นครือข่าเลย จ้ำกี้จ้ำใสกันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปไหนเลยเพวาคนขี้เกียจภาวนานี่ยไบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงำเอาทู้ออำนาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องซึคลาลาเพศออกไปไอ้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้ข้านภาวนาฝึ ก, กจิตใจของตในให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศล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 ก็ยังยอมสละทิ้งออกไปบวชทาตนให้เป็นคนผู้เดียวโดยที่พระองค์พิจารณาเห็นว่าการปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับอะไรต่ออะไรในโลกอันนี้มันเป็นทุกข์มากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นไปตามใจหวังแม้เราจะไปผูกพันยังไงรักษาอย่างไงมันก็ไม่ฟังผลสุดท้ายมันก็เสียหายมันก็ย่อยยับลงไป นับตั้งแต่อัตภาพรากายนี่หนะออกไปจนถึงทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรมนุนี้บ้านส่องตึกกลามมันก็ย่อยยับลงดูสิพระพุทธเจ้าบัตรบังเกิดขึ้นในโลกจากครั้งนั้นล่วงเลยมาถึงบัดนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีเนี่ยไอพราสาตราชมณเทียนของพระศิษฐะราชกุมามนอันสวยสดงดงามอะไรต่ออะไรมู่นั้น มันไปไหนหมดไม่มีแล้วมันพังลงเป็นอิดเป็นปูนเป็นดินทับผมกันอยู่บ้านของนางวิสาขาก็ดีบ้านของอนัสชาวินดีกะมหาเศรษฐีก็ดีเออนี่เขาก็สร้างสึกลามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมหาบัดนี้ก็เห็นแต่ซากอิดซากปูนปองกันเปินกับพูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียว อันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วแม้ว่าผลบุญกุศลจากอํานวยความสุขความสบายให้ในโลกนี้มากมายขนาดไหนพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าผลแห่งบุญกุศลที่ได้เสวย อ, อยู่นี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่เหมือนกันนะพอไปไปแล้วมันหมดได้ือพอมันหมดแล้วชีวิตนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ พระองค์จึงไม่ยินดีพอใจที่จะครองราชสมบัติอันนั้นอยู่จึงได้สเสด็จหนีออกไปบวชเนี่ยการที่เรามานึกถึงพระพุทธคุณหรือว่าพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้สําหรับผู้เป็นนักบวชมันก็นมั่นใจเลยเราเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งเราบวชอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าแท้ๆทําไมอ่ะเราถึงจะไม่ลา่ากิเลสตัณหาตามพระพุทธเจ้านี่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 หมเนี่ยไอ้นักบวชไปเห็นเข้าแล้วก็ชอบอกชอบใจนั่นนักบวชชนิดที่ไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณก็หลงสมมุติหลงบัญญัติหลงเครื่องหลอกลวงหลอกตาลวงใจเข้าไปเนี่ยคนขี้ค้านภาวนาย่อมถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันชักจูงไปตามประสงค์เลย เรียกว่ามันจูงไปหาทุกนั่นเองแหละทีนี้ถ้าเป็นคารือหัดคองเรือนอกิเลสตัณหามันก็จูงให้ทำบาปนั่นแหละมันจูงไปให้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวาว่าสา่าดื่มสุ ร, ราเมลยัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดมือนี่เรียกว่าความเป็นอยู่ของ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 ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมนั้นจะนำสนองให้ตนเป็นทุกข์ไปในโลกหน้ายืดยาวนานมันคิดไม่เห็นเลยอย่างที่ว่านี้นะถ้าผูใ้ใดคิดเห็นได้ผู้นั้นก็ไม่ล่วงกรอบแห่งสินแห่งธรรมเลยแสวงหาเลี่ยงชีวก็แสวงหาอยู่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สวยอยู่เท่านั้น เพรผู้นั้นได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอัตภาพร่างกายนี้อัตภาพร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้บังคับบัญชาของผู้ใดแมื่ผู้ใดจะหาอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงมันจากเท่าไร่มันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีแต่สุดโทมไปอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นได้ดังพวกเศรษฐีก็หากบอดีหมู่นั่น ล้วนแต่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้านแล้วก็ไม่เห็นว่ามันยั่งยืนอะไรกันเลยไปไปหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองน ะ, ะสมบัติทั้งหลายที่สะสมไว้กตกเป็นของผู้อื่นไปอันหนี้นะที่วควรคิดควรพิจารณาไม่ควรที่จะไปติดรสชาติของอาหารไม่ควรที่จะไปติดสัมผัส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 คนส่วนมากก็ น, นั่งเก้าอีน้นุ่มโซฟาเวลานั่งคุยกันเน่ะอย่างนั้นแหละนอนกันอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่ม <c oughs> เมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็เลยไม่จะพี่นั่งที่นอนหมอนมุง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 แต่ถ้าผู้ที่ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วหากไม่ลืมตัวรู้เท่ามันอาศัยมันอยู่โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสัมผัสเหล่านั้นเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่อขาดจากการสั่งสมบุญกุศลจะเป็นผู้ไหวพระเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาเอไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็น ไม่หลงยินดีพอใจแต่ในความสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มอยินดีรักษาอุโบสถสิ้นเพราะว่ามานึกถึงชีวิตนั้นมีประมาณน้อยเดียวะจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ต, ต่างหัวนี้นี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศล เพราะว่าบุญกุศลนี่มันเกิดขึ้นจากจิตใจนั่นต่างหากถ้าใจไม่เอาไหนแล้วบุญมันจะเกิดได้อย่างไรอ่ะบางคนก็ว่าอืมเราอยู่มาทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ไปรักทางกับโมยควายของใคร อ, ะอ่ะออย่างนี้เราทำไมถึงว่าเราจะไม่ทําบุญอะ่ะเราก็ได้ให้ทานอยู่นี้อ่กองบวชกองกระถินอะไรก็ทําอยู่อย่นี้ทำไมถึงว่าเราจะไม่ได้บุญแต่ในขนาดเดียวกัน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 อนะกงกันข้ามเอาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพออกพอใจก็เกลียดชังมาหนิไนะใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์เขาคิดอิจฉามานี่คิดเบียดเบียนนะอยากจะให้มันล่มหายตายไปจากโรคนี้ซะอย่าให้ได้พบไดเห็นมัน คนผู้นี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้เราเกลียดทังมันเหลือเกินนั่นหมูนี่นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทั้งนั้นแหละหลวงพี่นะดูให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างจริงว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ยบัด น, นี้ใจที่ได้ฝึกฝนอบรมอะได้ไวพระนั่งสมาธิภาวนาได้ฟังธรรม ได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นอย่างนีเน้เมื่อมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นแล้วมันก็วันไม่วันไรไปตามสัมผัสจังก่าวมานั้นไม่หลงยินดีไปตามอารมณ์ทินาพอใจไม่หลงยินร้ายไปในอารมณ์ที่นาเกลียดหน้าชังโดยเจริญปัญญาวิปัสสนาต่อได้บบบนี้นะสาเหตุที่มันจะละความยินดีนร้ายได้นะโดยกาหนดเพ่งที่เรณา สัรภาพว่าสิ่งข้างพวงมีรูปเป็นตนดังกล่าวมานั่นแหละให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงไปเมื่อมันเห็นความเกิดความแปรปรวนความแตกความแตกดับแห่งรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆมันนั่นอยู่มันก็ไม่หลงแล้วนี้ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามแล้วเพราะว่าสิ่งนั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาให้ยินดียินร้ายในความเห็นภายในจิตใจนู่น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 แต่ข้อสําคัญอยู่ที่ว่าผู้นั้นน่จะติดอยู่ในสมมุตินั้นหรือไม่ติดเนี่ยมันมันสําคัญในตรงนี้เองถ้าผู้ที่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิตมีปัญญาเกิดขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ไม่ติดอยู่ในสมมุติวัญญัติเห่านั้นก็พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สมมุติเอาเท่านั้นเองสมมุติเอาธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม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 สิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายที่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ก็ให้กําหนดรู้ตามต่ภาพความเป็นจริงเลื่อยไปแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้น่ะเป็นอยู่น่ะทั้งเป็นนักบวชก็ตามผู้ครองเรือนก็ช่างก็ต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้แหละอาศัยถ้าพูดโดยระบุชื่อแล้วก็อา่า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 เมื่อเอามาหุ้มห่อากายนี่เข้าไปเหงือไครไหลออกมามาหุ่มห่อากายอันเป็นของไม่สะอาดนี่แล้วผ้าหนุ่งผ้าหม่มอันนี้มันก็เลยไม่สะอาดไปตามกันดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินไล่อะไรเลยผ้าหนุ่งผ้าห่มเราเนี่ยเสนาสนะที่โยที่อาศัยก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบขึ้นด้วยสัมภาระอันเป็นธาตุดินนั่นแหละอืา <c oughs>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 มันก็ติดก็ค้องนะ